50 languages. 6กสิาการตั้งคําถามหนึ่งานนานึ่นมนานมนมาหม क्या त ल บาบ์บ่อยที रहे กระหไมพวกเขาเรียนน้อย न, न, न ह ่ं व า क, क ็คุ้มสูกระหถามพูดนะคุณถามคําถามคุณครูบ่อยไหมค่ะทัลบา क ์บ่อยที่สูกระเห็นไหมพไม่ค่ะดหฉันถามท่านไม่บ่อย नहीं, मैं अक्सर सवाल नहीं करता ह งาตอบกลับ जवाब บे न ाกลัวยตอบกลับด้วยค่ะ मेह ฉันตอบก न ับฉ क นตอบกลั ज ฉันตอบกลับฉันตอบกลับฉันตอाบฉันตอบกลน เขากำลังทํางานอยู่ใช่ไหมแก้ววัวบีทำามกระหใช่ค่ะเขากำลังทํางานอยู่จีฮาวัวบีทำามกัร่ะหมาอา่าคุณจะมาไหมอเยค่ะ เรากำลังจะมาเร็วๆนี้จी ह ाา ह ัมฟอร์นेาैं้เฮอยู่รนาคุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะแก่อาบเบอร์ลินเม่เรหเต้ค่ะดิฉันอยู่ในเบอร์ลินจी ह ाา म มं ब บรลินเม่เรหเต้ง